อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะรายการธรรมารับอรุณนาเสนอท่านผู้ฟังเป็นประจำให้แง่คิดสิ่งที่เป็นมงคลแก่ท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกเช้าเลยนะคะจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะเราพบกันในเช้าวันเสาร์อาทิตย์ก็ ท่านคงจะทราบกันดีสําหรับท่านที่เป็นแฟนรายการนะคะว่าดิฉันก็จะได้มีโอกาสที่จ ะ, ะมาสนทนาธรรมแทนท่านผู้ฟังนะคะสนทนาซักถามพระอาจารย์ภัยบุญอภิปุโนโซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกแล้วก็เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร อ, อบรมปฏิบัติธรรมของอวัดป่าดอนหายสุนะคะก็คือท่านเป็นลูกศิษย์เอกของหลวงพ่อดอรสะอาดทิโตภาสุค่ะซึ่ง สาหรับวัดป่าดอนหโศกตําบลดอนหโศกอําเภอหนองหาจงนจังหวัดอุดรธ า, านีนี้ทันก็ได้เมตตาที่จะมาะเป็นองค์ปาทกประจํารายการธรรมาระบุรุณของเราทุกเช้าวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วค่ะอาทิตย์ที่ยีห้ากันยายนนะคะวันนี้เป็นวันแรมสิบสามข้ามเดือนสิบอย่างปีเถาะ อ, อยู่นะคะค่ะก็เมื่อวานนี้ก็คือเช้าวันเสาร์ที่ ผ่านไปเมื่อวานนี้อเอดิฉันได้นําท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบน้มสักการพระอาจารย์ไพบรุญอภปิปุนโนแล้วก็สนทนาเกี่ยวกับเรื่องอการที่อีกห้าวันทําการจากนี้ไปก็จะมีพี่ๆที่เป็นข้าราชการหลายหลายท่านเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนที่ว่าจะต้องถึงกําหนดที่จ ะ, กะเกษียณอายุราชการไปนะคะดังนั้นพระอาจารย์ไพบรุญอภิปุนโนก็ได้ให้แง่คิด หรือว่าสากัะชาไปแล้วเมื่อวานนี้ว่าให้ถือเป็นโอกาสว่างแล้วก็ต้องปฏิบัติมีศีลมีธรรมแล้วก็ยึดศีลธรรมนั้นเป็นเหมือนเครื่องอยู่ของเราก็จะทําให้ชีวิตนั้นมีความสุขสงบแล้วก็มีความสุขจากภายในโดยไม่ต้องไปอาศัยภัตตาจากภายนอกนะคะแต่ตอนท้ายคิดว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังเมื่อช้า ว, วานนี้ก็คงจะจําได้ว่าเดินได้เรียนถามถึงประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยบางท่าน60แล้วแต่ยังแข็งแรงกระฉับกระเชง มีความรู้สึกว่าเรายังไม่ควรที่จะอยู่เฉยๆแบบเข้าวัดหรืออะไรอย่างนี้นะเจ้าคะ่ะก็เลยคิดว่าประเด็นนี้ก็คงจะข อ, อนํามาสนทนาหรือว่าสาระต่อกับพระอาจารย์พิบูลอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหาโศกันนะคะมากราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ ะ, ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าคะะ่ะเชิญรสาธุเจ้าคะ่ะก็เลยอยากะจะขอหยิบประเด็นนี้มาคุยต่อเจ้าคะ่ะนิมนต์พระอาจารย์เลยเจ้าคะ่ะก็คือว่าอันดับแรก เรพูดถึงข้าราชการที่กเกษียณอายุแล้วหรือหกแล้วเนี่ยก็ยังคึกคักอยู่ยังมีกําลังวังชาในการที่จะทําอะไรอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีคือจริงๆทุกคนก็เป็นอย่างนั้นน่ะไม่จําเป็นว่าต้องอายุ60ิบางคน70ก็ ย, ยังภาษาชาวบ้านเขเรียเตะปี๊บดังอยู่ใช่ไหม <S <S ยันแข็งแรงเจ้าค่ะยังมีสติปัญญายังทํางานได้อีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะผู้ช่านะขนาดผู้เช่าของเรานะอายุ80สิบแล้วนะผู้เช่าบอกว่า พระองค์เนี่ยเป็นคนที่ถ้ามีใครบอกว่าอายุนู่นมากอายุมากแล้วไกลจากวันเกิดมามากแล้วเนี่ยจะมีสติปัญญาไม่คล่องแคล่วว่องไวอยากคิดอย่างนั้นพุทธเจ้าไม่เป็นนะขณะอายุ80เนี่ยยังมีความที่ก็เรียกความเฉียบแหลมว่องไวแห่งสติปัญญาของสถาคตเนี่ยไม่ได้แปรปรวนนะธรร ม, มเทศนาที่แสดงไปก็ไม่แปรปรวนนะปฏิปทานในการตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่แปรปรวน เพราะว่าเป็นคนที่ทำสมาธิมาโดยตลอด <Okay. S 1> คนแบบนี้เราอาจจะเห็นได้บางคนที่เขาค่อนข้างเป็นคนมีคุณธรรมมาทําสมาธิบ้างเจริญมีคุณธรรมอ่ะทั้งในใจเป็นที่เคารพของลูกน้องบ้างอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 1> เ, เขาก็จะมีเขาเรียกว่าคุณสมบัตินี้ในตัวคืออย่างที่ยังอายุไม่ม า, าความแก่เนี่ยเป็นไปโดยอย่างช้าความแก่ <Okay. S 1> เป็นไปช้าผู้ชาใช้คำนี้ย่อม <Okay. S 1> แก่ช้า นะครองอายุได้ยืนนานเพราะฉะนั้นตัวเลขหกสิบตัวเลขเจ็ดสิบเนี่ยแต่ละคนมันก็ความแก่งอมมันไม่เท่ากันใช่ไหมทีนี้ไอ้ความที่เรามีมาวัดกําลังวังชาเนี่ยนะต้องแยกประเด็นให้ท่านผู้ฟังทราบด้วยว่ามันไม่ได้เป็นตัวกําหนดว่าคุณจะตายเร็วหรือจะตายช้าน ะ, ะไม่ได้เป็นตัวกําหนดตายนี่ก็เรื่องอีกตายเลยนะตายนี่อีกเรื่องหนึ่งบางทีรถชนตายคุณก็ยังกล้ามเป็นมัดมัดอยู่ก็ยังตายได้ใช่ไหมบางทียังไม่ต้องหกสิบก็ได้ ยี่สเด็กอายุ10บกว่าขวบอะยังตายได้เพราะฉะนั้นเรื่องมีกําลังวังชาอยู่นะกับเรื่องความตายคนละเรื่องกั น, กนนะเพราะฉนั้นถ้าคุณอายุป่านนี้แล้วเออเราก็ต้องมาควรตระหนักแล้วว่ า, ามันก็ตายได้หมดนะทีนี้จะแก้ตายยังไงจะแก้ปัญหาความตายตรงนี้ยังไงเวลาที่ความตายใกล้จะมาถึงเราแล้วเนี่ย เ, เราควรจะรับมือกับมันยังไงอันนี้เราต้องมาศึกษา ซึ่งอยู่ในคําสองพุทธเจ้าละ่ะโดยการที่มาปฏิบัติธรรมะปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะทําให้วางได้ประเด็นที่สองในเรื่องนี้ก็คือว่าคนที่มีความสามารถในการทํางานมีกําลังว่างชาอยู่เนี่ยเขาทํางานไปทํางานไปเนี่ยคือเขาจะมีผัสสะผัสสะนี่คือการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายถูกไหมพอมีผัสสะกระทบทางาตาหูจมูกลิ้นกายมีความเคยชินอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกเกิดขึ้น ในการทํางานบางคนก็จะชอบทํางานใช่ไหมบางคนชอบสื่อสารกับคนบางคนชอบเป็นผู้ประสานงานบางคนชอบทํางานอยู่กับคอมพิวเตอร์บางคนชอบการพิมพ์ดิดแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันนะคนะ <Okay. S 1> เพราะว่าปลูกฝังความชอบตรงนี้เอาไว้ในช่วงที่เราทํางานอยู่ทีนี้พอจะเลิกเนี่ย ก, ก็ไม่รู้จะหาความสุขอะไรมาแทนใช่ไหมก็เลยจะไปหาสิ่งอื่นที่ที่ไม่ใช่งานตัวเองทำเพราเกษียณแล้วนี่ ไปทำงานทางอื่นบ้างอย่างนี้นะเพื่อที่จะหาความสุขตรงนี้มาทดแทนคุณคุณตาใจเข้าใจมาว่ามันโบวไปใช่ไหมเราไม่ได้ทําก็ต้องหาอื่นมาแทนน่ะซึ่งอันนี้เป็นตัวแทนในการที่จะให้เราได้ความสุขเหมือนเดิมอก็คือยังมีงานมีการทําำคือยังไม่ใช่เป็นคนที่เท่านอาจจะรู้สึกว่าเหมือนไร้ค่าไปนะเจ้าค้าคือไม่มีไม่มีงานทํา เป็นหลักเป็นฐานะไรองเง้ยค่ะซึ่งตรนี้คือยังแข็งแรงอยู่อ่านี่คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นเจค่ะทีนี้พอเรามีความรู้สึกเกิดขึ้นเราชอบนี่เราก็จะทำนะถ้าเป็นงานที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ทำโจค่ะไหมทีนี้ประเด็นตรงนี้ก็คือว่ามันมีความชอบความรู้สึกตรงเนี้ยที่ละเอียดลึกซึ้งกว่าหนึ่งออกมาอย่างคนทำงานอย่างเงี้ยติดต่อประสานงานกับผู้คนชอบงานนี้ใช่ไหมพอมาอยู่บ้านคนเดียวแล้ว วิมันไม่มีความรู้สึกไม่ชอบก็เกิดงั้นทําไงงั้นฉัไปหางานทำดีกว่ า, าฉันไปหาทหํานู่นทํานี่ถ้าเป็นข้ราชการระดับสูงอาจจะเล่นการเมืองบ้างถ้าเป็นราชการระดับกลางๆอาจจะหาธุรกิจทําบ้างาถ้าเป็นอย่างอื่นก็ทําอย่างอื่นละว่า ง, งั้นเถอะทำงานาอาส า, า, าสมาัครบ้างอะไรต่างๆบ้างอันนี้ก็แล้วแต่คนนะคือมันจะไปห้ามเขาก็ไม่ได้เขายังมีความสามารถอยู่แต่ที่อจะมาจะต้องพูดให้เข้าใจก็คือว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกของเรา ถ้าเรายังยึดติดความรู้สึกอยู่นี้อย่างนี้อยู่นะเราจะมีความทุกข์อย่างคนปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะอย่าว่าไปเลยคุณนั่งสมาธิไปอย่างเงี้ย <c oughs> เกิดมีความสงบขึ้นในภายในแล้วยึดติดว่าอันนี้เป็นของเรานะยึดติดว่าอันนี้เป็นของเราเสร็จปั๊บเวลาที่นั่งแล้วมันไม่ได้เนี่ยมันจะเครีย ด, ดอืม้า่อมันจะเริ่มละเริ่มด่าคนรอบข้างแล้วอะทําไมวันนี้ฉันนั่งสมาธิไม่ได้ เริ่มบ่นกับเพื่อนก่อนบ่นแล้วมันก็ยังไม่ได้อีกก็เริ่มด่าลูกแล้วด่าผัวด่าเมียไปเรื่อยเลยเหมือนกันซึ่งขนาดว่าความสุขในสมาี่เป็นของละเอียดนะมันยังเสพติดได้และไ้วความสุขหยาบๆข้างนอกเนี่ยที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราทำงานบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันมีซึ่งถ้าเราไปเสพติดสิ่งนั้นเราจะเราจะพลาดเหมือนเสพยาเสพติดอ่ะอืมซึ่งอันนี้ มันก็จะต้องมาทําความเข้าใจว่าอ๋อเราไม่ควรจะติดสิ่งนั้นถ้าเราไม่เสพติดเราไม่ยินดีเขาเรียกว่ากําหนัดพัวพันมัวเมาลุ่มหลงในความรู้สึกนี้นะเราจะทําอะไรก็ได้เป็นคนที่ยืดหยุ่นมากอยู่บ้านเฉยๆก็สบายไปทํางานอื่นก็สบายทำธุรกิจก็สบายทํางานการเมืองก็สบายทํางานให้อาสาสมัครก็สบายทําอะไรก็ได้นะสบายมากทีนี้คนที่ จะมาคิดว่าธรรมะเนี่ยอยู่ที่วัดเท่านั้นนะหรือว่าธรรมะนี่เป็นของเบื่อหน่ายอันนี้คุณยังคิดไม่ถูกนะต่อให้คุณเป็นข้าราชการนั้นตอนที่เป็นข้าราชการอยู่เนี่ยถ้ามีธรรมะก็เป็นข้าราชการที่ดีเป็นหัวหน้าก็เป็นหัวหน้าที่ดีเป็นลูกน้องก็เป็นลูกน้องที่ดีนึกออกไหมเพราะอะไรเพราะว่าเราเป็นคนมีศีลมีสมาธิมีปัญญาทําอะไรมันก็ดีจุดนั้นการทํางานตรงจุดนั้นก็ดีเพื่อนถ้าคุณเป็นคนดีอย่างนี้ไม่มีปัญหาตกน้ำไม่หลายตกไฟไม่ไหม้แล้ว นะ <Okay. S 1> ก็ไปไหนก็สบายใจเพ <Okay. S 1> ราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกว่าเราจะต้องทําอย่างนี้หรือทำอย่างไงแต่มันอยู่ที่ภายในว่าต่อให้คุณทําอะไรถ้าจิตของเธอนะเป็นคนมีศีล น, นะนะฟังธรรมะบ้างนะทําสมาธิบ้างนะอันนี้ดีนะอันนี้ดี <Okay. S 1> ถ้าคุณทําต่อเนื่องอยู่แล้วแม่มันยิ่งทําให้ละเอียดขึ้นลึกซึ้งขึ้นไปจะยิ่งดีอ่า ทีนี้ถ้ายังไม่เห็นต้องทำยังไงก็จะต้องดูให้เห็นโทษของสิ่งที่เราเคยทำมาดูซิว่าขนาดว่าแค่ว่าอายุหกสิบเนี่ยนะเราเรายังทำงานได้อยู่นะยังมีประสิทธิภาพดีอยู่ด้วยน ะ, ะเขายังเอาเราออกเลยเรายังทำงานได้อย่างดีอยู่นะยังพูดจาคล่องแคล่วปัญญาเฉียบแหลมปฏิพัน์ไม่มีปัญหาเขายังเอาเราออกเลยแล้วที่พอถึงเวลาที่เราทาไม่ได้แล้วเนี่ยนะ เขายิ่งจะเอาเราไม่รู้ไปเก็บไว้ไหนล่ะอืมเพราะฉะนั้นในเมื่อมันมันไม่เที่ยงขนาดนี้เนี่ยโอ้โหมันไม่ได้อยู่เหตุปัจจัยที่เราจะควบคุมได้เนี่ยนะอันนี้เป็นความจริงที่เราควรจะต้องเห็นถ้าเห็นความจริงตรงนี้ได้นะจะจะสบายละก็ก็ถ้ า, ถ, าถ้าทราบความจริงตรงนี้เราก็สบายใจละว่าอ๋อเราจะคลายความยึดถือลงไปบ้างเราก็ทําไปก็ทําไปด้วยความไม่ยึดถือทําไปด้วยความสบายใจได้ เจ้าค่ะแต่ทีนี้สําหรับบางรายที่ท่านยังทําใจไม่ได้แล้วเจ้าค่ะเพราะว่าเท่าที่โยมเคยเห็นนั้นเจ้าค่ะมีรุ่นพี่บางท่านอพอเกษียณอายุราชการไปนี่อีกไม่นานเท่าไหรก่ก็ก็เหมือนกับท่านเก็บตัวอยู่ในบ้านหรือว่าไม่ได้ออกมาทําสังคมหรือกิจกรรมอะไรเลยเนี่ยจะเหมือนพอเจอท่านอีกหรือว่าพบท่านอีกครั้งห น, นึ่งเนี่ยเจ้าค่ะ จะเหมือนกับท่านดูชราภาพหรือว่าแก่ลงไปอย่างมากเลยซึ่งก็ผิดกับบรรดาอาดีตข้าราชการหรืออดีตอธิบดีหลายๆท่านนะเจ้าคะที่ท่านยังแอคทีฟยังทำงานต่ออย่างนี้เจ้าคะท่านก็ยังจะดูสดชื่นอยู่อย่างนี้เจ้าคะดังนั้นมันก็เป็นประเด็นนะเจ้าคะที่ยมขอถามแบบคารวาสว่าบางทีการที่เราจ ะ, ะทํำยังไงถึงจะเกิดเรียกว่าความสมดุลหรื อ, อบาลานซ์ในในสิ่งสองอย่างนี้เจ้าค ะ, ะานี้ทั้งถามคุณเตือนใจ นี้เพราะฉะนั้นพระเนี่ยอายุบวชมาตั้งแต่หนุ่มๆอยู่วัดตลอดเลยพรรษาสามเดือนไม่ไปไหนแล้วก็ไม่พูดไม่พูดกับใครมากด้วยพูดนิดเดียวยนี่ก็ต้องมาแก่ง่อมมาสิ <c oughs> มาก็ไม่มีราศีจับอย่างนั้นเหรอแล้วก็เห็นแต่หน้าตาคึ้มคุ้มคิ้วนี่ก็เหมือนผูกกันอยู่ตลอดเวลาใต้ตานี่ก็มีแต่รอยอะไรไม่รูด้ดำดำไม่มีสง่าราศีไม่เป็นอย่างนั้นนะคุณเดนใจ เอาง่มาดูที่วัดป่าดอนไห่โศกอ่ะพระทุกองคเนี่ยนั่งสมาธิหนุ่มๆทั้งนั้นเลยยี่สิกว่าก็าามีเพิ่งจบมานี่มาบวชในพนรรษาก็สาสี่รูปบวชมาแล้วสิบกว่าพรรษาก็มีสองพรรษาก็มีแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยผิวพรรณเนี่ยผ่องใสอินทรีย์งดงามเจ้าค่ะเดินไปเนี่ยก็เป็นเห็นได้ว่านิ่งสงบสงบเงียมอ้าวทำไมมีสง่าราศีอ่ะทั้งๆที่เขาไม่ได้ค่อยพูดกับใครนะแล้วก็ไม่ได้ค่อยทําอะไร วันๆก็เห็นมาไปบินธบาลแล้วก็กลับไปกุฏิไม่เห็นทําอะไรฮะเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ได้เจ้าค่ะมันไม่เกี่ยวกับเรื่องทางทางกายคุณเดินใจเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าคุณไม่ยุ่งกับใครไม่ออกมาสังคมกับใครคุณจะเหี่ยวเฉาแต่ไม่ถูกคุณยังไม่เข้าใจแก่นแท้ของคําสอนพระเจ้าเจ้าค่ะถ้าคุณบอกว่าคุณอยู่บ้านใช่ไหมอ้าวอยู่บ้านต่อให้อยู่บ้านดูทีวีทั้งวันนั้นแล้วก็กินอะไรก็ไม่รู้ไม่ค่อยดีสุขภาพ แล้วเราก็ไม่ไปสูงสิงกับใครนะอยู่มันสักสมเดือนครึ่งปีปีหนึ่งนะท้ายปีหนึ่งเดือนที่12มาดูอา้าวตายแล้วทำไมคนนี้แบบสง่าราศีไม่มีนะเราก็เหมือนกับถูกถูกกัดกร่อนไปอะ่ะคือสภาพจใจถูกกัดกร่อนไปด้วยจิตใจไม่มีอะไรทำนะเราก็จ ะ, จะเบื่อเราก็จะท้อแท้หมดกําลังใจอันนี้เป็นแน่นอนถ้าคุณยังมาดูทีวีกิน ของอะไรที่มันไม่ไม่ดีต่อสุขภาพอนะแล้วก็ <Okay. S 1> ไม่หาอะไรที่เป็นประโยชน์ทำส่วนคนที่หาอะไรมีประโยชน์รรมอย่างเช่นหมาไปเป็นอาสาสมาัครไปทํางานการเมืองช่วยที่นั่นที่นี่อันนี้ก็ดีระดับหนึ่งใช่ไหมเพราะว่ายัางต้องไปใช้สิ่งภายนอกมาทําให้จิตของเรามีเครื่องอย <Okay. S 1> ู่นนี่คือเครื่องอยู่นะบางคนมีทีวีเป็นเครื่องอยู่บางคนมีโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องอยู่บางคนมีการงานคาราโอเกะเป็นเครื่องอยู <Okay. S 1> นะ่แล้วก็แต่ละคนมีเครื่องอยู่ไม่เหมือนกัน มันอยู่ที่ว่าเครื่องอยู่เราอะไรเป็นเครื่องอยู่สิ่งนั้นก็จะมามีอิทธิพลในจิตของเรานะคนที่เขาเสื่อมโทรมดูเหมือนกับชราภาพไปเร็วพึ่งกเกษียณมาไม่กี่ปีอย่างเงี้ย น, นะเพราะว่าเขามีเครื่องอยู่ไม่ถูกนะเขาไปมีทีวีเป็นเครื่องอยู่เขามีเพื่อนชั่วเป็นเครื่องอยู่เขามีอาหารการกินที่ไม่ดีเป็นเครื่องอยู่น ะ, ะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณต้องทากิจกรรมหรือไม่นะ พระสงค์เป็นตัวอย่างที่ดีเช่นว่ามีเครื่องอยู่คืออะไรเอาลมหายใจของเราเป็นเครื่องอยู่เอาพุโทโธเป็นเครื่องอยู่เอาอะไรก็ได้เป็นเครื่องอยู่ที่ทําให้จิต ง, งเรามีสตินะพอจิตเรามีสติอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเป็นผู้มีสัมปชัญญะคือ ร, รู้ตัวรอบข้อบพอรู้ตัวรอบครอมีสัมปชัญญะแล้วจะเป็นไงจิตจะเป็นสมาธิจิตเป็นสมาธิแล้วจะเป็นยังไงใจจะสบายเ บ, า, ยบาสบายมีความสงบใจเบาสบายสงบแล้วเป็นไงจิตมันจะ ก็เรียกว่าผิวกายเนี่ยมันก็จะเอิบอิ่มมีน้ํามีนวลเป็นผิวที่มีอินทรีย์งดงามมีความสงบเสงเี่ยมในทางตรงกันข้ามถ้าคุณเอาการเป็นเครื่องอยู่นะเอาความสุขที่เกิดจากตาหูจ ม, มูกลิ้นกายการเนี่ยจะมาหมายถึงความสุขที่เกิดจากตาหูจ ม, มูกลิ้นกายความเขาเรียกว่าความกําหนัดโมวัวเมาลุ่มหลงพัวพันอย่างเช่นบางคนดูทีวีทั้งวันเลย24ชั่วโมงนี้ดูทีวีมัน20ชั่วโมง ตอนนอนก็ยังเปิดทีวีก็มีนะพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทีวีเนี่ยจะดึงเราไปะทีวีมันก็มีรายการที่ดีก็ไม่ดีก็มีใช่ไหมส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยดีอนะแล้วมันก็จะทําให้จิตเราไปเป็นดังนู้นดังนี้ไม่มีสมาธิไม่มีสติเพราะจิตไม่มีสมาธิไม่มีสติก็ไม่มีความสุขมีความทุกข์มีความทุกข์เราเป็นยังไงอินทรีย์ก็เสื่อมทามผิวก็หยาบกร้านจิตใจก็ไม่มีกําลังนนี่คือพวกที่อีกแบบหนึ่งต่อให้คุณไปอยู่ข้างนอก ทำกิจกรรมสิ่งอื่นๆใช่ไหมทํานั่นตั้งบริษัทที่มาสักบริษัทหนึ่งแต่ถ้าบริษัทนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีนะั้นจิตใจของเราก็จะไม่มีสมาธิอีกไม่มีสมาธิไม่ก็ไม่มีกําลังถูกกัดกร่อนถูกกัดกินด้วยสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคุณก็เสื่อมทรามเหมือนกันผิวก็ทรามปัญญาก็ไม่เฉียบแหลมเหมือนเดิมจิตใจก็ไม่มีกําลังลองเคยเคยดูคุณเตือใจเคยเห็นข้าราชการที่ ไปทำงานต่ออย่างเงี้ยน ะ, ค, ะคือหมายความว่ากเกษียณแล้วแล้วก็ไปหาทําทํานู่นทํานี่เนี่ยปรากฏงานที่ทําอกมาไม่ประสบความสําเร็จนะยิ่งเครียดกว่าเดิมเราก็มีแล้วก็เคยเห็นนะอ ใ, ใช่ไหมมันไม่ใช่ว่าคุณไปทําแล้วคุณจะจะแบบสบายใจตลอดมันอยู่ที่คุณไปทําอะไรนะซึ่งเกณฑ์ตรงนี้ในการวัดเนี่ยพระุทาอาศัยจิตในการวัดว่าจิตของคุณนะ่ะสงบไหมมีมีสบายใจไหมเป็นเรื่องเกี่ยวกับกามหรือไม่เกี่ยวกับกาม นะถ้าไม่เกี่ยวกับกามนั้นดีออกจากกามนะมันไม่ได้เกี่ยวกับกิจกรรมภายนอกก็คิดว่าคงเข้าใจเนาะท่านผู้ฟังคงจะเข้าใจประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันเจ้าค่ ะ, คะก็เป็นคำแนะนำที่ดีมากเลยนะเจ้าค่ะที่ที่พระจันทร์ไปบณ์อภิปุนโนได้เมตตาที่จ ะ, ะสากฉามามนะเจ้าค่ะทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งเจ้าค่ะโยมอยากจะขอน้ำสการที่จะกราบ เรียนถามถึงเกี่ยวกับเรื่องของอบรรดาเวทนาต่างๆนะเจ้าค่ะพอหลายท่านพอเกษียณอายุราชการไปแล้วเนี่ยบางทีก็มีเรื่องของปัญหาสุขภาพเข้ามาเยอะอนะเจ้าค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือยมอยากจะขอให้ความเมตตาพระจันทร์ไพบูลอภิปุโ น, โนได้พูดถึงบรรดาพี่ๆที่ยังอยู่ในราชการปัจจุบันนะเจ้าค่ะแต่อาจจะอยู่ช่วงท้ายอของชีวิตราชการและตอนนี้ก็มีเรื่องของการโยกย้ายตําแหน่งอาจจะบางท่านเหมือนกับ ไปเรียกว่าโดนเข้ า, ากลุ่บ้าง<จ>อะไรอย่างี้เจ้าคะ ม, มันก็เกิดความทุกข์นี่พระอาจารย์ช่วยชี้แนะให้ท่านสบายใจนิดนึงได้ไหมเจ้าคะกรับนิมนต์เจ้าค่ะคือถ้าพูดถึงเรื่องเรื่องสุขภาพก่อนนะเอาเรื่องสุขภาพก่นเนาะเจ้าค่ะสุขภาพเนี่ยจะ แ, แก่เร็วหรือแก่ช้าเนี่ยมันอยู่ที่พระเจ้าเคยพูดเหตุปัจจัยไว้ในการที่ทําให้ชีวิตอายุยืนานานเนี่ยมันก็มีอยู่สองามเหตุปัจจัยอันดับแรกเนี่ยต้องมีเวทนาบาบาง ค <Okay. S 2> มีเวทนาเบาๆเนี่ยหมายความว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยนะ เ, เป็นความรู้สึกที่เป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตาม <Okay. S 2> ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ตามเนี่ยมันไม่เหวียงจงเกินไปสุขถ้าใครสุขก็สุขมากมากทุกข์นี่ก็ตัวทุกโอ้โหน้ําตาท่วมเลยอย่างเงี้ยน ะ, ค, ะคุณอายุไม่ยืนเป็นหนึ่งในเหตุปัจจัยที่ทําให้อายุไม่ยืน แลคือไม่ได้แช่งนะแต่อันนี้เป็นมุทัตปัจนาหมายความว่าถ้าเรามีเวทนาที่เบาบางสุขก็ไม่สุดโต่ทุกข์ก็ไม่สุดโต่อยู่ในกลางๆนะก็จะทําเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งในเหตุปัจจัยที่ทําให้มีอายุได้ยืนนานทีนี้สมมติโดนกั่นแกล้งทาไงอ่ะชีวิตฉันโดนกั่นแกล้งนะทํางานมาจนป่านี้ผลงานก็สร้างไม่มีใครเห็นความดีจับเรามาย้ายเข้ากรูอีกไปแม่มันเศร้า มันเครียดเหมือน <Okay. S 1> สิ่งที่ทํามาทั้งชีวิตนี่ล้มละลายไปหมดเลยชีวิตฉันไม่เหลืออะไรแล้วทําไง <Okay. S 1> ดีร้องไห้ดีกว่า <c oughs> แล้ว <c oughs> ชีวิตที่มีแต่ความเศร้าเนี่ยคุณจะเศร้าเกินไปพอเศร้าเกินไปแล้วมันก็ไม่มีกําลังที่จะทำอะไรนะจ้ะ <Okay. S 1> มันก็ไม่มีชีวิตชีวานในการที่จะอยู่ต่อไปอะ่ะมันก็แก่เร็ ว, ว่าสิ <Okay. S 1> ทํายังไงทํำยังไ ง, ง, ไงโอ้มันแก้ไม่ยากเลยถ้าเรารู้เหตุผลนะเอาวิธีคลายความทุกขเวทนาก่อน อันแรกเนี่ยคนที่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยรู้ธรรมะหมุนคลื่นนี่ก็ไม่เคยมาเจ อ, อรายการธรรมารับบรุ์เลยเนี่ยนะกะหนีไปเ จ, จออาตมาพูดอยู่หรือคุณเตือนใจพูดอยู่เปลี่ยนคลื่นเนี่ยนะเขาจะไม่ทราบความจรงิงข้อนี้ว่ามันมีวิธีการคลายความทุกข์อยู่เขาไม่ทราบก็าจะเป็นไงเขาจะไปหาความสุขอย่างอื่นที่เกิดจากกรรมสุขเช่นไปร้องคาราวเก๋บ้างไปกินเหล้าบ้างเที่ยวเกลื่นคลื่นบ้างแล้วไปหาความสุขที่ เป็นไปนในทางตาหูจมูกลิ้นกายห้า อ, อย่างนะแต่เป็นวความสุขที่เกิดจากภายนอกนะพอไปเจออย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ได้นะเขายิ่งทุกข์หนักเขาเรียกว่าโดน ล, ลูกศรดอกที่สองเจ้าค่ะแต่ถ้าได้ได้นะก็จะต้องเสี่ยงกับความเสียเงินใช่ไหมเสียทรัพย์เสียเวลาไม่มีประโยชน์อีกก็จะ ช, ชื่อว่าไม่ได้ลว่างเหตุเสียอย่างเดียวมีแต่เสียกัเสียนะเขาก็จะยิ่งแย่ลงแย่ลงนะ แต่คนที่ฟังธรรมะรู้ธรรมะรดับธรรมะแล้วก็ฟังธรรมอยู่บ่อยๆเนี่ยจะพบความจริงข้อนี้ว่าข้อที่หนึ่งจะพบความจริงอยู่สองข้อข้อแรกเนี่ยคือเราจะสามารถมีอุบายในการที่จะนำความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตออกได้อันนี้พูดถึงทั้งทุกข์และสุขนะคุณตนใจคือถ้าสุขสุดโต่งเลยอย่างเงี้ยแม่ฉันจะลาอาจจะได้ออกจากราชการแล้วพลิกโผลได้ขึ้นอย่างเงี้ยน ะ, จะนใจสุดโตง่งเนยน ะ, ะอันนี้ระวัง ก็มีเสียงเหมือนกันนะ <อา S 1> เสียง <จะ S 1> ห, หัวใจวายนึกเจ้ค่ะ <c oughs> เป็นไปได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจะทําไงทั้งสุขและทุกข์ให้มันกลางๆถ้าคนที่รู้ความจริงเนี่ยเขาจะมีวิธีนําออกซึ่งความทุกข์ตรงนี้ได้ทําไงเ <c oughs> ดี๋ยวจะบอกให้ฟัง <c oughs> อทําไงเดี๋ยวจะบอกให้ฟังอย่างที่สองเขาจะรู้ก็คือว่าเขาจะไม่ไปหาความสุขอย่างสมมุติเราได้เลื่อนตําแหน่งเนี่ยจะไม่ไปหาความสุขที่เกิดจากทางกามนะจะไม่ไไม่ไปฉลองกัน แบบจนโอเวอร์หรือว่ามากเกินไปใช่ไหมแต่เขาจะหาความสุขในภายในเขาอันดับแรกก่อนมาพูดถึงรายละเอียดอันแรกที่ว่าจะมีวิธีการคลายออกจากความทุกข์นั้นยังไงง่ายที่สุดในโลกเลยเห็นมันเป็นกล่องไม่เที่ยงถามว่าความรู้สึกนี้เกิดที่ไหนเกิดในใจเราใช่ไหมจใจเราอยู่ที่ไหนใจเราอยู่ในกายถูกไหมกายนี้เที่ยงไหมเมื่อก่อนมั น, มนก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะ เดี๋ยวนี้มันก็แก่มากขึ้นใช่ไหมเอาครีมอะไรมาทามันก็เริ่มไม่อยู่แล้วนะไม่ค่อยได้ผลไม่ค่อยได้ผลเพราะมันไม่เที่ยงนี่เอาความรู้สึกที่เกิดในกายมันอาศัยกายเกิดขึ้นใช่ไหมก็กายนี้ก็ไม่เที่ยงความรู้สึกนี้ก็ความรู้สึกนี้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะพอเราเห็นบ่อยๆคืนไม่ได้เห็นครั้งเดียวแล้วมันจะได้นะเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเอากายเราก็ไม่เที่ยงใช่ไหมความรู้สึกนี้ก็ไม่เที่ยงอันนี้ก็ไม่เที่ยงนั่นก็ไม่เที่ยงเห็นบ่อยๆเนี่ยเราจะปล่อยวางได้ นะพอปล่อยวางได้แล้วเนี่ยเราจะคลายความทุกข์ตรงนี้ได้เราจะคลายความทุกขนะ์หรือความทุกข์นี้จะเบาบางลงไปนะก็จะเป็นผู้ที่มีเวทนาเบาบางและ้ะอันนี้อันนี้เคล็ดลับอันที่หนึ่งฟังดูมันเหมือนฟังง่ายนะแต่ทํานี่ย า, ยากมากเจ้าค่ะยากหรือไม่ยากนี่ก็อยู่ที่เหตุว่าคุณจิตคุณเป็นสมาธิไหมเจ้าค่ะใช่ไหมจิตคุณมีกําลังในการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้หรือเปล่าเจ้าค่ะประาการที่สองก็คือว่าถ้าเราเห็น ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเราเราปล่อยวางได้แล้วมันก็จะทําไงต่อละ่ะก็มาหาความสุขที่ดีขึ้นไปกว่า น, นั้นอีกคือความสุขที่เกิดจากในภายในความสุขที่เกิดจากสมาธิเป็นอย่างนี้แล้วเราก็จ ะ, ะถูกกันแกล้งถูกลังแกงไงแล้วก็ยังจะยังสบายใจอยู่ได้สบายใจในที่นี้คือหมายความว่าไม่ได้ทุกจนเกินเหตุ่นะเจ <Okay. S 1> แล้วก็ต้องทําอะไรแก้ไขไปก็ทําไปตามนั้นหรือถ้ามีการพลิกผลเราได้ขึ้น เราก็จะไม่ดีใจจนเกินเหตุในชีวิตเราก็จะสบายอยู่ต่อไปได้ไม่มีเวทนามากก็ยังกรองชีวิตได้ยืนยาวนานไม่ไปหาความสุขที่เกิดจากทาให้ร่างกายเสื่อมโทมด้วยเค่ะบางคน เ, เลื่อนตาแหน่งนี้ก็ไปกินเหล้าใช่ไหมทสิ่งที่ไม่ดีไม่เกิดประโยชน์มันก็ไม่ไม่ดีอะ่ะเจ้ค่ะอพอรู้ความจริงตรงนี้แล้วคุณก็จะหลีกออกจากสิ่งนั้นมากขึ้นแล้วก็มาหาความสุขที่เกิดจากในภายใน เจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นความสุขที่ที่ละเอียดจริ ง, รงๆแล้วก็เป็นความสุขที่แท้จริงใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่แล้วความสุขตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่กับว่าคุณซีไหนอะ่ะมันไม่เกี่ยวซีสามคุณก็ทําได้ซีสิบสิบสองหรือเปล่าไม่มะเใช่ไหมเออซีสิบเอ็ดคุณก็ทําได้เจ้าค่นะนั้นต่อให้คุณกเกษียณไปแล้วคุณก็ยังทําได้นั้นะไม่ว่าคุณจะเป็นไหนคนอยู่ภาคไหน่ ภักเหนือกลางใต้ออกตกทำได้หมดไม่ใช่คนไทยหรอโถเอ้ยมีลมหายใจไหมทาได้เป็นคนที่คนศาสนาอะไรไม่เกี่ยวเลยถ้ามี <Okay. S 1> ลมหายใจนะเรามีสติอยู่ใช่ไหมจิตเราเป็นสมาธินะินาทีนั้นคุณก็สบายนะจกกะเกษียณไม่กเกษียณอยู่ตำแหน่งไหนเลื่อนขึ้นลดลง อ, อยู่ที่ไหนสบายใจหมดนี่เป็นยอดคนจริงๆนะ อยู่ <Okay. S 1> ที่ไหนก็เป็นคนที่สบายเป็นคนมีมาตรฐานนะคนที่เป็นอย่างนี้คุณเดินใจใครๆก็รักถูกไหม <Okay. S 1> อ, อ, ยอยู่ในหน่วยงานไหนคนนั้นหน่วยะจะเป็นโชวหน้า ง, งานเพื่อนร่วม ง, งานลูกนะ้องเขาก็จะรักหมดเพราะว่าเป็นคนที่ไม่มีปัญหาใครอะ่ะสบายใจ <Okay. S 1> อยู่ตลอดเวลาโอ้โหสุดยอดเลยนะะ่เห <Okay. S 1> มือนพระสงฆ์อย่างเงี้ยไม่มี mm hmm. เรื่องกับใครอยู่ในวัดเราก็สมัคคีรกันถึงเวลามาทํากิจก็มาทํากิจไปบินดาบก็ไปบินาาบนาตเพื่อทุกคนจึงมีความสุข ผิวพรร์สดใสมีความสงบสงเเียมมีเรื่องอะไรเราก็ค่อยๆคุยกันปรึกษากันอย่างนี้ก็สสบายใจว่างันเถอะหน่วยงานจะดีด้วยเจ้าค่ะก็เรียกว่าคงจะต้องนําวิธีที่พระอาจารย์พิบุรุณพิปุโนได้เมตตาที่จะชี้แจงมานะเจ้าคะมีนิดหนึ่งตรงนี้นะการใช้ทุกเจ้าค่ะมีนิดหนึ่งตรงนี้ว่านิมนต์เจ้าค่ะอย่างคนที่จะเกษียณอย่างเงี้ยเกษียณจะเกษียณอยู่ไม่กี่วันเนี่ย มีไหมที่คนเพื่อนร่วมงานที่ยังทํางานอยู่ตอนนี้ฉันยังไม่ถึงวาระของฉันนะดีใจว่าเออไอเนี้ยมันไปจะได้ก็ดีก็คิดว่าน่าจะมีนะเจ้าค่ะมีแน่นอนคุณเตือนใจเมื่อไหร่หมอนี่มันจะเกษียณไปสักทีพอมันเกษียณแล้วฉันดีใจดีใจอย่าให้เป็นอย่างนั้นกับเราถามว่าคุณมีคุณธรรมในจิตไหมคุณมีธรรมะในจิตไหมเจ้าค่ะนั่นแหละก็คือตอนเรารับราชการอยู่ก็คงจะต้อง อยู่อย่างดีที่สุดนะเจ้าคะทำประโยชน์แล้วก็ถ้าเราจะไปก็คือตามบาระก็ต้องให้เขาได้อะไรเราแล้วก็ชื่นชมในผลงานที่เราทำถูกไหมเจ้าคะใช่อันนั้นจึงจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็การที่จะทำให้เกิดผลอย่างนั้นได้ก็คือเราจะต้องเป็นคนที่รู้ในแง่ของความจริง รู้วิธีคลายทุกข์คือไม่สุดตรงเกินไปอย่างที่พระอาจารย์ว่านะเจ้าคะ่ะใช่คือมีธรรมะมีศีลธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วก็ให้มองเห็นความจริงที่ว่าทุกสิ่งในโลกนี้เนี่ยแม้แต่กายสังขารเราเองหรือว่ายศถาบรรดาศรรรักดิ์ตำแหน่งต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงนะเจ้าค่ะใช่ใช่าธุเจ้าค่ะอพระอาจารย์มีอะไรเสริมไหมเจ้าคะเมื่อกี้ยมสรุปอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมเจ้าคะถูกต้องเลยถูกต้องเลยก็คิดว่าพอเพียงทีเดียวสําหรับทั้งคนที่ทํางานอยู่แล้วก็คนที่กําลังจะเกษียณไปด้วย สาธุเจ้า <rural> ค <conversation> <t uba> ่ะแล้วก็ในนามของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการธรรมระบุณก็ต้องกราบน้ำสศการขอพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับพระอาจารย์ไพบุลอภิปุโนเจ้าค่ะที่ท่านได้เมตตาที่จะมาสากชาหรือสมทนาธรรมะในเช้าวันอาทิตย์ซึ่งเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนเป็นการสิ้นปีงบประมาณนะคะแล้วก็ นำแง่คิดดีๆฝากไว้ให้ท่านผู้ฟังทางบ้านไม่ว่าท่านจะเป็นคนศาสนาไหนหรือว่าจะเกษียณอายุราชการกําลังจะเกษียณหรือยังไม่เกษียณอะไรต่างๆนั้นก็คงจะได้ประโยชน์เหมือนกันนะคะเรามากลาบน้ำพรสการลาพระอาจารย์ไพภูณีพิพุโนสิทธิเอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทวเกลือสาดที่โตภโซท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหาโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะ ในเสาอาทิตย์หน้าซึ่งก็จะเป็นการเริ่มปีงบประมาณใหม่ละก็คงจะมีแง่คิดดีๆจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเสนอให้ผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยคะ่ะสําหรับในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายนนี้เรามากราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนพร้อมกันนะคะกราบนมัสการโช้าพระอาจารย์โชคาใช่เชิญพรสาธุโชคา